จากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องปัญหาทำรรบุญอุทิศโดยท่านพระโพธิรักษ์ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นับบัดนี้อาจรารย์ธรรมญาติโยมทั้งหลาย ถ้าวันนี้อาตมาตั้งใจว่าจะเทศถึงเรื่องเกี่ยวกับบุญนะบุญกริยาวัตถุทั้งสิเสร็จแล้วก็ได้รับข้อถามอันนี้มาคำถามอันนี้อาตมาได้รับแล้วก็รู้สึกว่ามันจะใช้ได้ก็ที่อาตมาจะบรรยายแต่อันนี้มันจะไล่เรียงกันไปจากต้นเป็นพื้นฐานไล่เรียงอะไรอะไรขึ้นไปหาระดับสูง พขขอตอบปัญหาหรือว่าตอบข้อข้องใจอันนี้ของผู้ที่เกิดจริงนะเป็นข้อที่มันติดยึดอยู่ก็จะได้คลี่คลายขยายให้พวกเราได้ฟังไปในตัวถ้าอ่านดูลายละเอียดนิดหน่อยบอกว่าดิฉันเป็นคนโง่าห่างไกลวัดอยากจะรบกวนให้ท่านกรุณาชี้แจงอธิบายสั่งสอนหนึ่ง ดิฉันสิ้นคุณพ่อและคุณแม่ไปแล้วคะ่ะสองดิฉันจะต้องทําบุญส่งอาหารที่ท่านชอบไปให้โดยเลี้ยงพระในวันครบครอบที่ท่านตาย 3. ทําบางสุ ก, กุลรดน้ํากระดูกในวันสงกรานสี่ทุกครั้งที่ดิฉันทําบุญดิฉันจะต้องคิดเสมอว่าคุณพ่อคุณแม่ของดิฉันจะต้องได้รับ เพราะตั้งใจทําให้ในวันครบรอบโดยเฉพาะ 5. ดิฉันไม่ชอบใส่บาตรเพราะเพื่อนดิฉันเคยเห็นพระถ่ายอาหารจากบาตรใส่อ่างให้ลูกศิษย์เอาไปบ้านวงเล็บเปิดดิฉันหวงของที่จะส่งไปให้คุณพ่อคุณแม่วงเล็บปิดดิฉันจะทําอาหารถวายถึงกุฏิและกลับไปตรวจน้ําที่บ้านในวงเล็บกลางตาํารา 6. จะทราบได้อย่างไรว่าท่านทั้งสองไปเกิดแล้วหรื อ, อยังเจ็ 7. ดิฉันจะต้องทาบุญให้ท่านอีกนานเท่าไรเพราะดิฉันทำบุญครั้งหนึ่งบาปจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าหนึง่งเพราะจิตใจดิฉันไม่บริสุทธิ์ไม่สงบชอบชอบนั่งคิดว่าก็ถ้าดิฉันใส่บาทก็คิดเรื่องพระเอาไปแบ่งให้ลูกหลานก่อนท่านจะได้ฉันขอ จัดเลี้ยงพระพระก็ฉันต่อหน้าต่อตาแถมลูกศิษย์ฉันต่อและยังญาติโยมอีกด้วยอาหารก็หมดคอพอตรวจน้ำจบก็เอาไปรดต้นไม้ต้นไม้ก็ตัววันตัวคืนงอนั่งคิดนอนคิดไม่เห็นทางที่คุณพ่อคุณแม่ปูย่ย่าตายายเจ้ากรรมนายเวรจะได้ทางไหนวงเล็บเปิดดิฉันไม่ใช่คนใจดำที่ไม่รู้จักเผื่อแผ่วงเล็บปิด ขอจาางคืนถึงกับกราบจเจ้ากรรมนายเวรให้ช่วยปลดปล่อยลดละเวรที่ดิฉันสะสมไว้ในอดีตในเล็บชาติก่อนถ้ามีจริงให้เหลือน้อยลงน้อยลงบ้างนะข้อแปพ่อท่านอย่าตอบดิฉันว่าการทำบุญไปแล้วผู้รับจะเอาไปให้ใครหรือทำอะไรก็ได้เพราะ ขกอกถ้าดิฉันจะทำบุญโดยผู้รับจะเอาของดิฉันไปให้ใครต่อใครนั้นดิฉันไม่จำเป็นต้องผ่านพระดิฉันจะมอบให้มูลนิธิบ้านราชวิถีบ้านเมตาก็ได้วงเล็บเปิดที่ผ่านพระเพราะต้องการให้ถึงคุณพ่อคุณแม่วงเล็บปิดข้อกาวปกติเพื่อนๆบอกว่าดิฉันก็เป็นคนใจดีอบอ้อมอารีชอบทำบุญชอบช่วยเหลือ จ, จนบางครั้งเป็นการในวงเล็บเสือเกินไป ดิฉันกล่าพราะอาไปที่ใช้คำไม่สุภาพดิฉันไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวที่พอมารดาบิดาไปเกิดก็จะเลิกทำบุญทันทีเวลาที่ดิฉันทำบุญดิฉันก็จะแผ่เมตตาให้หมดในวงกว้างไม่ว่าจะเป็นบุพการีทหารรับใช้ชาติสรพพสัตทั้งหลายก็สิ้ ดิฉันเคยถามท่านเจ้าคุณใหญ่วัดหนึ่งว่าการเลี้ยงพระเสร็จแล้วมาเผากระดาษเขียนชื่อบิดามารดาผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นผู้ตายจะได้รับเร็วกว่าเลี้ยงธรรมดาจริงหรือท่านก็ตอบสั้นๆว่าทํากันตามประเพณีดิฉันไม่เข้าใจทําไมท่านจึงตอบดิฉันสั้นแค่นั้นก็แปลว่าดิฉันจะต้องกลมหน้ากลมตาทําไปอีกเพราะถ้าหยุดทําตามประเพณี บิดามดดาของอดอาหารแน่ในเงือกแลกลุ้มใจค่ะข้อ11คุณแม่ตายครบห้าสิบวันดิฉันก็เลี้ยงพระอีกดิฉันเลี้ยงพระเพนในวันครบห้าสิบวันเพราะกลางคืนวันนั้นดิฉันก็ฝันเห็นคุณแม่นั่งร้องไห้หนึ่งเล็บซึ่งตั้งแต่ตายไม่เคยฝันถึงเลยดิฉันถามท่านว่าแม่ร้องไห้ทําไม คุณแม่บอกว่าแม่ไม่มีเงินติดตัวเลยไม่มีใช้ไม่มีจะทำบุญทำทานตอนท่านมีชีวิตท่านชอบทำบุญให้ทานไปวัดถือศีลแปดนุ่งขาวห่มขา ว, ขาวพอดี่ฉันตื่นก็เล่าให้พี่ๆน้องๆฟังบางคนก็ว่าตายแล้วจะเอาเงินไปซื้ออะไรอยู่เมืองผีมีของขายด้วยหรือพวกเราก็หัวเราะกันสนุกบางคนก็ว่าเอาเงินไปถวายพระสิคุณแม่จะได้ไม่มาขอ พอถึงความคิดที่ดิฉันจะพอถึงความคิดดิฉันก็ว่าถาวายพระเดี๋ยวพระก็เอาของเราไปใช้สิหรอกแต่ถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างก็กลัวคุณแม่ไม่สบายใจมุงเล็บเปิดแปลกตายแล้วยังคิดว่าจะไม่สบายใจมุงเล็บปิดดิฉันก็เลยไปปรึกษาท่านเจ้าคุณวัดข้างๆบ้านดูล่าให้ท่านฟังท่านก็บอกว่าก็ทาบุญไปให้ท่านสิ ดิฉันก็คิดอยู่ในใจว่าถ้าถวายก็ไม่ถึงคุณแม่แน่เลยถามท่านว่าถ้าดิฉันจะซื้อของถวายวัดจะได้ไหมท่านก็ตอบว่าได้ดิฉันก็เลยซื้อเก้าอี้นวมสองร้อตัวหีบศพทองหนึ่งหีบทำลูกกรงเหล็กหน้าโบสถวายวัดไปพอธันว่าดิฉันทำถูกหรือเปล่าและคุณแม่ท่านจะทราบได้จะทราบและได้รับหรือไม่ เพราะหลังจากทาบุญแล้วไม่เคยฝันเห็นท่านอีกเลยจนเกือบสามปีเขาแล้วหรือท่านไปเกิดแล้วพอท่านอ่านปัญหาจบก็คงจะทราบได้ทันทีว่าดิฉันโง่งมงายมากน้อยแค่ไหนได้โปรดกรุณาชี้แจงสั่งสอนดิฉันยังมีปัญหาใหญ่ๆอีกสามอีกสองปัญหากว่าปัญหากะว่าจะมารบกวนในครั้งต่อๆไปเพราะในวันนี้ก็ทาให้ญาติธรรมต้องมาเสียเวลามากเกินควร อันนี้ก็ขออธิบายไปคร่าวๆแล้วตอนไหนจะละเอียดจะชี้แจงอาตมาก็จะชี้แจงละเอียดให้ฟังคุณพ่อแม่สิ้นไปแล้วอาตมาเคยสอนเรื่องเลี้ยงลูกให้รู้จักโตเลี้ยงพ่อแม่ให้รู้จักตายนะจริงเรามีประเพณีจารีตมีพิธีการเรียกว่ายึดถังสําหรับคนที่จะต้องอาศัย รูปแบบอาศัยจารีตประเพณีอาศัยอะไรอะไรบ้างก็ทําเราจะไม่ฟื้นจนเกินการว่าเมื่อเวลาทําเมื่อเวลาคนตายจนป่านนี้แล้วเนี่ยเขามีรูปแบบเขามีพิธีการอะไรกันเยอะแยะ <c oughs> บานปลายไปทั้งมากตายทีหนึ่งนี่ยุ่งยากเป็นทุกข์เราก็ทําบ้างนะเราจะทําบุญจะทําพิธีการอะไรก็ทํากับเขาบ้างอ จะเผาจะให้พระมาเทศอะไรมาซึ่งเราก็รู้ว่ามันมีประโยชน์ในส่วนหลายส่วนที่มีประโยชน์เราก็ทำเพราะงั้นที่เรื่องของการถวายเข้าถวายของนี่มีมากเหลือเกินถวายนั่นทานนั่นทาน น, น, นี่ น, น, น, น, นี่มันเป็นเล่ห์เล่ห์อาตมาพูดกรงกรงอะ่ะมันเป็นเล่ห์เล่ห์ที่พระท่านใช้ปัญญาแล้วก็ทําพิธีการอะไรตวงเอาไว้สําหรับ คล้ายเป็นบ่อดักปลาอย่างพุทธเจ้าท่านเคยตัดไว้ในนานาติตะทิยสูตรนะ่ทวตมาเอาออกมาเปิดเผยว่าพวกที่ไปทําบุญโดยหวังสวรรค์หวังนรกแล้วก็เป็นอะไรแต่ไรให้ไปทาทานทําอะไรหวังพวกสวรรค์นรกไม่เข้าเรื่องมันเหมือนกับพวกที่ถูกมารผู้ลามกท่านใช้คําว่ามารผู้ลามกมารชั่วผู้ชั่วอยา่างหลอกล่อ ก, กินเหมือนกับท่านเหมือนกับเขาวางกับดักสัตว์ แล้วก็ฆ่าสัตว์เพื่อฆ่าสัตว์นั้นตายวางกับดักสัตว์เพื่อฆ่าสัตว์มันเป็นการเหมือนกับวางกับดักสัตว์เพื่อลอกกินน่ะแต่ถ้าไม่ได้พูดว่าลอกกินท่านบอกว่าเหมือนกับพวกวางกับดักสัตว์เพื่อเพื่อฆ่าสัตว์ฉะนั้นมันเป็นการวางกลนวางวางวางกลวางวิธีการเอาไว้และเราพวกนั้นก็จะได้นะอย่างที่อ่านมาแล้วผ่านมาเมื่อกี้นี้ พอถามว่าเอาไปเอาขอไปถวายพระไปถามเจ้าคุณาท่านได้รับหรือจะได้รับไหมก็ทํากันประเพณีพอให้อธิบายไม่อธิบายพอเสร็จแล้วจะบอกว่าจะทําของถวายพระก็จบอกว่าถวารับของถวายพระพอถวายมากๆ ก, ก, ก็ไม่เห็นพูดอะไรกลับเฉยอ ะ, อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยอาตมาเคยวิเคราะห์มามากวิเคราะห์วิจารณ์ให้เห็นและทําไม่เข้าใจได้ปัญญาก็จะกลุ้มใจอย่างที่ว่านี่ ยิ่งคิดไปยิ่งคิดไปยิ่งเห็นเลยว่าเอ๊ะมันก็ไม่ถึงมันก็ไม่ถึงนะยงอย่างที่อธิบายมาในนี้บอกว่าเอาก็ะถั่ขอนถวายพระแล้วจะส่งให้คุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวพระก็กินเอาพระกินเสร็จยังให้ลูกศิษย์กินต่ออีกเอาของมันก็หมดแล้วคุณพ่อคุณแม่จะไปกินที่ไหนอน่ะไอ้นี่มันก็ยิ่งเห็นเด่นชัดเลยว่ามันก็ยิ่งไม่เข้าใจอ่ะอาตมาเคยวิเคราะห์ถึงขนาดว่าเนี่ยเอาทุเรียนมาถวายพระเนี่ยไหอิรวงอย่างดียวองนั้นนะ อาตมาพิสูจนได้เห็นง่ายๆเลยให้ชัดๆสโลโมชั่นเลยนะเอาทุเรียนมาถวายพระพระรับมานี่นะรับมาแล้วพระก็ฉันตุ้ยตุยลงกระเพาะนะตาไม่ดีพอไปอยู่ในกระเพาะพระแล้วก็มาบอกกันว่าอา้าวตรวจน้ํานะและทุเรียนจะไปถึงพระไปถึงพ่อแม่ถามอาตมาก็วอกมาถา ม, ถ า, มาทุเรียนออกจากท้องพระไหมคนตอบก็จะต้องรู้โดยความเป็นจริงว่าทุเรียนไม่ออกจากกระเพาะพระ จะตรวจหน้าไปอีกกี่ร้อยตุ่มก็ตามทุเรียนก็ต้องไม่ออกมันก็ต้องย่อยเป็นธาตุรักษาเลี้ยงขันสังเคราะห์เลี้ยงร่างกายพระนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่จะมาเข้าใจพาซื่อว่าจะเอาของถวายอะไรพระนี่แล้วจะไปให้พ่อแม่ที่ตายไปแล้วใช้เอาเสื้อผ้ามาถวายแล้วพ่อแม่จะได้นุ่งห่มก็ตามเอาข้าวมาถวายแล้วพ่อแม่จะได้กินก็ตามเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดมากมันไม่เป็นจริง ไม่มีไปได้เพราะงั้นคุณถึงได้มานั่งถามบอกว่าโอ้ฉันหวงของให้ไปให้พ่อแม่เอามาถวายพระก็ไม่สบายใจพระกินกินเสร็จแล้วเอาถวายลูกศิษย์อีกเอาลูกศิษย์กินเอามันก็หมดสิจะมาถวายแล้วเมื่อไหร่มันจะไปถึงพ่อแม่แล้วก็เจงทีมันจะไปถึงยังไงมันไม่ถึงก็อเอามาให้พระพระก็กินเพราะงั้นการทําบุญ หรือว่าการจะทําทานพวกนี้ถ้าไม่เข้าใจถูกเป้าหมายอย่างถูกต้องแล้วมันไม่ได้เรื่องนะการอุทิศส่วนกุศลไปให้พ่อแม่นั้นนะออกขอพูดอีกยืนยันอีกว่าอุทิศไม่ได้เอาหลักธรรมพระพุทธเจ้ามายืนยันแล้วว่ากรรมสโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรมพันทุกรรมปฏิสระโนกรรมน่ะกรรมเรียกว่าแบ่งออกเป็นสองเป็นบุญกับบาปการกระทำเนี่ยบุญบาป บุญก็เรียกว่ากุศลกรรมบาปก็เรียกว่าอกุศลกรรมกรรมที่ทําเป็นบุญเป็นบาปก็ตามแบ่งกันไม่ได้นะแล้วยิ่งจะเอาของส่งไปเนี่ยก็พิสูจน์ไดฟังแล้วมันไม่ไปเราทําดีเรียกว่าบุญเราเอาของมาถวายพระเป็นการทําทานเป็นการบริจาคเป็นการละความโลภทีนี้ก็อาตามาก็วีครห์ประมัดให้ฟังแล้วว่าเมื่อคุณเอาของมาถวายพระและคุณยังจะห่วงไม่ให้พ่อแม่ และคุณแถมมาใช้พระท่าอีกให้พระเป็นไพรสเอีแล้วคุณจะได้บุญอะไรสักอย่างหนึ่งของคุณไม่ได้ให้นะคุณจะให้พ่อแม่คุณไม่ได้ให้พระนะสองคุณจะใช้พระให้พระส่งเป็นบุรุษไปรณเนีเอาไปให้พ่อแม่คุณบาปสองต่อหนึ่งคุณไม่ได้ให้ของเขาจริงจะเอาไปให้พ่อแม่สองคุณใช้พระอีกบาปสองบาปไม่ได้บุญเลยฟังให้ชัดๆนะอย่าเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องดีนะ เนี่ยงมงายแล้วก็ทํากันมาอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ไปเอาไอ้ระบบนี้ของศาสนาอืน่นมาเข้ามาในศาสนาพุทธตั้งแต่เมื่อไรอาตมาก็ไม่ไม่จับไม่ได้นะจะสืบสาวราวเรื่องไปไมันก็ไม่มีประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ไม่รู้แต่เมื่อไหร่งมงายไม่เข้าเรื่องพระพุทธเจ้าสอนว่า ก, กรรมเนี่ยหรือ ว, ว่าบุญเนี่ยทำได้กของใครของมัน คุณทําทานการสละจิตของคุณทานนี่คือการชําระให้จิตละโลภละโกรธนี่ไม่ได้ละโลภเลยยังหวงโลภยังโลภเอาของนะ่จะไมให้พ่อแม่และแถมยังมาใช้ใช้พระเธออีกอ่าก็เจ๊งดิแล้วบอกพระได้กินแล้วก็หวงพระไม่ให้กินแ้่ดูเอาพระก็กินไปแล้วพระกินแล้วแถวไมไปให้ลูกศิษย์กินอีกโอ้ตายทุกตายเลยแบบนี้จิตเนี่ยจิตมันมีชัดๆก็คือจิตเรายัางขี้หวง ฟังดีๆที่ถามมาในฟังดีๆถ้าเราเข้าใจไม่ถูกแล้วก็เราจึงปจิตขี้หวงแบบนั้นยิ่งต่อไปก็ยิ่งทุกข์มากมายมหาศาลก็ขอตัดประเด็นไม่เอาตามคําถามเป็นข้อขไปเราจะอธิบายให้ฟังว่าพ่อแม่ที่ตายไปแล้วนั่นอนะ่ะไม่มีส่วนได้รับส่วนบุญคนตายไปแล้วไม่มีรับส่วนบุญมีเปรตชนิดเดียว ที่ได้รับส่วนบุญคําว่าเปรตนี่ก็ต้องมาเรียนรู้ให้ดีๆเปรตคือจิตวิญญาณจิตวิญญาณอยู่ในตัวคนเป็นๆ เ, เท่านั้นรับส่วนบุญได้อย่างคุณนั่งฟังธรรมนี่คุณกําลังรับส่วนบุญจากอาตมาแม้กระ น, นั้นก็หลายคนนี่เป็นเปตแท้เลยยังไม่เป็นปรัชตูชีวะกับเปรตนี่นั่งฟังนี่บางคนรับส่วนบุญไม่ได้ส่วนบุญอันนี้ก็คือการแบ่งรู้แบ่งรู้ ความรู้นี่เป็นส่วนบุญรู้สิ่งที่จะชําระสิ่งที่จะลดละกิเลสสิ่งที่จะทําให้ตนเองเจริญตัวเองเป็นดีตัวเองได้ดีตัวเองพัฒนาตนเจริญดีแล้วก็เอาความรู้นี่ไปกระทําให้แกต่ตนเองเราศรัทธาเริ่มรอมใสเราเชื่อมัน่นอกโอ้ดีดีจังเลยเกิดศรัทธาปิติยินดีวิริยะขึ้นเลยเพราะว่ามันเกิดฉันทะเกิดวิริยะเกิดจิตตะมันก็จะพัฒนาวิมังสา เพราะฉะนั้นเราก็แหมมันฉันทามันยินดีเหลือเกินอู้ดีจังเลยท่านว่าไว้นี่ชัดเจนดีเหลือเกินเราก็พอใจอคุณก็พร้อมจะวิริยะภาคเพียรใจมีเท่าไหร่มันก็มันยินดีนี่นะมันปิติมันพอใจมันเอาเลยแล้วใจมีเท่าไหร่ก็โถมทําไปเลยคุณจะไปทําเมื่อคุณฟังทำแล้วเข้าใจดีคุณจะได้ดีเมื่อคุณไปทําดีฟังนี่ก็เป็ น, นเพียงแบ่งรู้แบ่งรู้ดี อธิบายความรู้ที่ดีให้คุณฟังคุณรู้ดีศรัทธาเริ่อมใสคุณก็ไปทําเองได้มันแบ่งกันได้ทุนี้จะบอกว่าบุญในถึงกันได้ก็มีปรัตตูชีวกับเปคือเปรตเป็นชีวชีวิตเปรตที่มีชีวีบางทีก็เรียกปรัตตูชีวีปรัตตูชีวีคือเปรตที่มีชีวิตคือจิตวิญญาณที่อยู่ในคนเป็นเพระาะอคนตายไปแล้วเนี่ยไม่มีทางรับส่วนบุญใดๆ ไ, ไปตามกรรม ตายแล้วดีท่านก็ไปตามกรรมบาปท่านก็ไปตามบาปบุญก็ไปตามบุญแบ่งกันไม่ได้ถ้าแบ่งกันอุทิศกันส่งกันไปให้ได้อย่างนี้กลายเป็นศาสนานายทุนเศรษฐีคนรวยเท่านั้นจึงจะทําบุญแบ่งไปถึงผู้ตายนั้นได้คนจนซวยมหาซวยเลยคนจนไม่มีปัญญาได้ทําบุญอะไรส่งไปให้พ่อแม่ได้ร่ํารวยหรือว่าเป็นบุญเป็นอุกุศลอะไรเลย เลยใช้ไม่ได้เลาเป็นศาสนานายทุนไปคนก็เลยจะต้องมากรอบโกยมาทําตนให้เป็นเศรษฐีให้ได้แย่งชิงเท่าไรก็จะต้องแย่งชิงเพราะมันจะได้เอื้อเฟื้อพ่อแม่หรือว่าใครแต่ใครที่ตายไปเพราะฉะนั้นเป็นก็จะได้เดี๋ยวนี้เงินทองตายก็จะได้อุทิศไปให้คนที่ตายกลายเป็นศาสนาที่เร่งรัดในคนนี้มากรอบโกยเงินทองเท่านั้นมีแต่มาหามาหามมาหอบมาห่วงมาหาแย่งแต่เงินทองเพราะจะต้องเป็นกลายเป็นศาสนานายทุน เป็นอย่างนั้นจริงๆซึ่งมันตร ง, งกันข้ามวิสาศาสนาพระพุทธเจ้ า, าศาสนาพระเจ้าไม่ใช่าศาสนาในทุนไม่ใช่าศาสนาที่จะต้องมาหอบหัวงหาผามไม่ใช่จะมากราบโกยสะสมแต่เป็นาศาสนาที่ให้กล้าทานกล้าให้กล้าให้จนกระทั่งไม่ต้องสะสมอะไรได้เป็นอัปปัจจยะคนที่อัปปัจจยะไม่สะสมแม้แต่ปัจจัย4อปัจใจเนี่ยอปัจัยคืออัปปัจจะยะนี่คืออัปัจจัยไม่แค่แม้แต่ปัจใจสี่ไม่สะสมแม้แต่ปัจใจสี่ ผู้ใดถึงอัปัจจยะไม่สะสมแม้แต่ปัจใจสีได้คนนั้นกล้าหาญมากไม่สะสมข้าวไม่สะสมน้าเลยเนี่ยจะมาเป็นพระพระนี่ไม่สะสมน้ําไม่สะสมข้าวไม่สะสมอาหารไม่สะสมเครื่องหนุงห่มไม่สะสมที่อยู่นี่พระทำได้หรือคุณจะเป็นฆราวาสทำอยู่คุณต้องสะสมบ้างพอสมควรจะมาถึงขั้นที่ไม่สะสมเป็นคนระดับสูงสุดขั้นวันระดับที่8ปอัปัจจะยะเนี่ย ไม่สะสมแม้แต่ปัจจัยสีเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นหรอกยากมากนะยากเพราะนนั้ถ้าเราไม่เข้าใจทิศทางที่ถูกต้องแล้วแต่ต้นเราจะเล่นกอบโกยหอ่อพามแล้วก็มาค่อยทยอยทําบุญอะไรแต่ไรทําทีทําท่านี้ไปเนี่ยมันไม่รอดนะเพราะเราจะต้องมาหัดฝึกชาระจิตใจออกแม้แต่เราจะทําบุญให้พระฉันเราก็รู้ว่าเรามาเลี้ยงพระไว้ พ้านี่ท่านหนึ่งไม่สะสมข้าวไม่สะสมน้ำไม่สะสมอาหารไม่สะสมอะไรท่านก็ต้องอาศัยรับประทานกับคนอย่างน้อยท่านก็ออกไปบินธบารคุณอยู่บ้านพระผ่านหน้าบ้านคุณก็ช่วยทันไว้แบ่งด้วยเป็นแบบสหกรณ์แบบแชร์ใส่บาตรคนละทัพพีไม่ต้องมากต้องไม้ท่านเบิน like ผ่านโน่นบ้านผ่านบ้านโน่นบ้านนี้ไปมีอาหารมีอะไรคุณก็แบ่งไปไม่ต้องมากต้องไม้ถ้าเราจนๆก็เป็นเพียงช้อนเดียวทัพพีเดียวก็ได้ แต่เรามั่งมีเราร่ารวยจะให้ท่านมากๆกว่านั้นก็ตามใจไม่ได้ห้ามในห่วงอะไรให้มากมันก็เป็นการชาระกล้าจ่ายออกมากๆของเราบุญก็เป็นของเราเพราะการชาระกิเลสการกล้าให้เนี่ยกล้าบริจาค ก, กล้าทานเนี่ยมันเป็นการละความโลภมันเป็นการแสดงถึงความโลภที่เราหมดลงจริงๆแล้วเราก็เข้าใจใยปัญญาได้ว่าเราให้พระเนี่ยให้พระท่านฉันไม่จะให้เพื่อส่งไปให้พอ่อให้แม่ ไม่ใช่นะอันนี้เป็นเรื่องที่คาราคาสังมากเลยเป็นเรื่องที่อาตมาพยายามอธิบายคนที่มีปัญญาก็เข้าใจแล้วคนที่ไม่มีปัญญาก็ยังหลงง ม, มงายอยูอ่แล้วก็ไม่รู้ว่าเออมาไปทามาไม่ไปส่งไปถึงพ่อถึงแม่เลยฉันก็ไม่ทำอ่ะทำแล้วไม่ส่งไปถึงพ่อถึงแม่ลยจะไปทำทำไมอ้าวคุณไม่ทำคุณก็ไม่ได้บุญเลคุณก็ไม่ได้ชาระ ก, กิเลสเลย ก็คุณทํามันแหละคุณได้ไม่ใช่พ่อแม่ได้แบ่งไปยังไงก็ไม่ได้ไม่ใช่พ่อแม่จะได้บุญคุณได้บุญคุณทำนะคุณทํากับพระก็ทํำตามก็ทำกับคนธรรมดาคนจนก็ตามแต่ทํากับพระน่ะยิ่งเป็นพระอริยะที่แท้จริงมันยิ่งมีคุณค่ามันนี่มีบุญมากพระพระอริยะถ้าก็ยิ่งจะความโลภน้อยก็ทํากับคนที่มีความโลภน้อยก็ยิ่งบุญสูงยิ่งพระอริยะขั้นพระอรหันเลยทาไมสะสมจริงๆถ้าพระอรหันแล้วไม่สะสมจริงจรเลย ถ้าจะปฏิบัติตรงทำตรงวินัยแท้แท้ยิยงย่งอย่างนั้นยิงย่งได้บุญมากขนาดทำให้อาหารแก่พระโสดาเนี่ยได้บุญมากก็ทำนิจจทานคือทำทานใส่บาตรพระประจำวันไม่รู้ละพระอริยะไม่อริยะขอให้เป็นพระที่เราเห็นว่าสมควรจะพอใส่ใส่ทั้งนั้นน่ะเป็นพระธรรมดาสมมติสงฆ์เราก็ใส่ก็จะได้บุญดีนิจจทานก็เป็นบุญมากนี่เรายิ่งได้ใส่กับพระที่เป็นพระโสดาบันมีบุญได้เป็นร้อยต่อก็ทำนิจจทาน ถ้าได้ทํากับพระสกิทาคามีได้ให้อาหารแก่พระสกิทาคามีหนึ่งครั้งมีอานิสงส์สูงกว่าให้อาหารแก่พระโสดาบันครั้งเดียวถ้าให้แก่พระอนาคามีหนึ่งครั้ง<อ>ก็ได้บุญยิ่ยงกว่าให้แก่พระสกิทาคามีร้อยครั้งให้แก่พระอรหันต์หนึ่งครั้งก็ได้อานิสงส์สูงกว่าให้พระอนาคามีร้อยครั้ ง, งนี้เป็นต้นพระเจ้าท่านตัดเป็นอัตรา เป็นอัตราส่วนไว้อยู่อย่างนี้ให้ชัดๆเป็นมาตราไว้ให้เราฟังเป็นการประมาณค่าให้ฟังอ่ะใช้ตัวเลขมาประกอบก็ตามอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ทำกับพระอริยะยิ่งสูงเท่าไหรมันก็ยิ่งได้บุญมากจริงๆไอ้บุญนี่มันไม่เป็นตัวเป็นตนแต่ว่ามันเป็นความจริงเพราะฉะนั้นถ้าใจเราทำไม่เป็นบุญเรายังหวงแหนเรายังจะเอาไปให้คนนั้นคนนี้ขีดเหนียวไว้ให้คนนั้นคนนี้ แบ่งไปให้คนนั้นคนนี้อ่ะมันก็แบ่งนะที่มันให้เต็มที่ไหนเราใจมันก็ยังโลภโลภยังแบ่งเอาแบ่งนั่นแบ่งนี่ไม่ได้สละออกไปอย่างเข้าใจด้ปัญญาว่าสละทําไมสละให้ใครประโยชน์อะไรเราไม่เข้าใจก็สละให้แก่ผู้ที่เราให้ประโยชน์เพื่อคุณค่าเพื่อเป็นประโยชน์อ น, นั้นเขาจะเอาไปเกื่อกูลคนอื่นต่ออีกก็ตามใจเพระนาะฉะนั้นให้แกพร่พระไปให้ลูกศิษย์กินแทนที่จะหัวบอกว่ า, วาจะกินหมดแล้ว ไม่ได้ไมได้ไปถึงพ่อแล้วตายก็เลยยิ่งกลับหลังหันเลยกลับเป็นคนระอย่างเลยแทนที่จะดีใจว่าเออเอาให้พระพระท่าก็ชันน้อท่านก็เอือเฟื้อเกื่อกูลให้ลูกศิษย์ฉันต่อไปอีกมันได้บุญทอดไปอีกด้วยซ้ำมันได้บุญมากนะได้บุญมากเลยนะต่อออกไปอีกไม่ใช่ว่ายิ่งเราได้บุญน้อยนะยิ่งท่านกินพระร่านฉันท่านก็ยังเอือเฟื้อเกลื่อกูลให้ลูกศิษย์ชันลูกศิษย์ฉันยังลูกศิษย์กินก็ยังไม่หมดอีกลูกศิษย์ยังเอา มีกระติกกระเจ้าเอาไปแบ่งแจกให้คนนั้นคนนี้อีกเอาไปแจกเอาไปเหลือกเอาไปให้ปลาให้ปูกินหรือว่าเอาไปให้คนยากคนจนต่อไปอีกมันยิ่งบุญยาวยืดไปคุณไม่ต้องทําคุณทําทีเดียวแล้วนี่เขาต่อยืดยาวไปถึงคนอีกจึงมากดังไม้คุณยิ่งได้บุญมากเอากลับเข้าใจผิดเนี่ยมันมันจะมันเมือนกับจะเรปัดกันเลยเห็นว่าตั้งจิตไว้ผิดแล้วมันเลยกังกังกังเงินข้ามเลยแทนที่จะเห็นว่าโอ้ยพระท่านฉั้น ยังไม่หมดท่านก็เอาไปให้ลูกศิษย์ ต, ตอบไปอีกว่ายิ่งจะไม่ถึงแม่ใหญ่อ่ะมันก็ยิ่งกลายเป็นจิตยิ่งขี้เหนียว ใ, ใหญ่เข้าไปใหญ่มันยิ่งทุกข์ใหญ่มันยิงนย่งเข้าใจผิดใหญ่ปัญญาก็ยิ่งกงเงินข้ามเลยแต่ถ้ายิ่งเข้าใจเนออยิ่งแจกจา่ายเจือจานไปอิกนะพระเองท่านก็เอือเฟื้อนะท่านเองท่านหน้าจะได้แต่ท่านก็อุตส่าห์ใจดีของดินดีเอามาถวายพระ พระเองท่านอุตสาห์ฉันน้อยเดียวนะแล้วก็จะแบ่งให้คนอื่นยิ่งของนะั้นมีวิตามินดีมีอาหารคุณค่าอาหารสูงและพระท่านก็ยังแข็งแรงสมบูรณ์ดีคุณเอาของที่มีอาหารสูงเนี่ยค่าคุณค่าอาหารดีๆมาถวายพระพระท่านเห็นได้ลูกศิษย์นี่มั น, ม, น, ม, นมันไม่สบายแล้วลูกศิษย์นี่มันต้องการวิตามินมากกว่าเราต้องการคุณค่าอาหารมากกว่าเราพระท่านก็ฉันแต่น้อย นิดหน่อยแล้วแบ่งให้คนที่มีความจําเป็นคนนี้ต้องกินคุณค่าอาหารอันนี้มากๆเอาของดีนี่ให้ลูกศิษย์ที่อ่าบวยเจ็บหรือว่าขาดค่าอาหารไปเลย <What? S 1> ก็ยิ่งได้บุญสูงใหญ่เลย <What? S 1> พระก็ยิ่งแหมติดใจท่านดีเหลือเกินแล้วจิต ด, ดีต่อจิต ด, ดีนี่มันทับทวีเป็นบุญยิ่งเป็นบุญอันมหาศาลขึ้นสูงขึ้นโดยซ้ําไปนี่ถ้าไม่เข้าใจได้ปัญญาดีๆแล้วเราจะมองอะไรกลับผิดหมดแทนที่มันจะยิ่งดีมันก็เลยกลายเป็นยิ่งร้าย อย่างงี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดนะการเอเื้อเฟื้อเกื้อกูลถวายของหรือแจกทานและขอนั้นทานต่อต่อ ต, อ ต, อ ต, อตอไปอีกได้เท่าไรถ้าเรียกว่าเนื้อนาบุญมันงอกงอกงอกงอกเงยไปเจริญงอกงามดียิ่งเท่าไหร่ไปอย่าไปหวงแหนเลยถ้าเราไว้ใจพระท่านเป็นสัตว์บรุษเป็นผู้รู้แล้วเราให้ท่านแล้วท่านก็จะต้องตัดสินท่านก็จะเลือกเด็ดปัญญาท่านจะทานต่อหรือท่านจะให้ใครหรือท่านจะทําอะไร ย่อมเป็นกุศลส่งเสริมเป็นกุศลที่เจริญเป็นกุศลที่ยิ่งยิ่งเรายิ่งต้องอนุโมทนาแทนที่จะไปหวงไว้ให้แก่ท่านเฉพาะเจาะจงแต่จะให้ท่านให้ท่านในท่านนะแต่ในท่านเน่ยท่านก็ต้องรู้แล้วว่าท่านควรหรือไม่ควรน่าจะให้ไปอะไรท่ามีนโยบายอะไรหลายชั้นหลายเชิงท่านยิ่งท่านเป็นผู้รู้ที่แท้แล้วโอ้ยไม่ต้องไปคิดเลยเราเองปัญญาสู้ท่านไม่ได้หรอกท่านจะทรมานตัวเองตายก็ให้มันรู้ไป ถ้าเด้งทำไมโง่ทรมานตัวเองตายหรอกท่านก็จะทําสมเหมาะสมควรตัวเองจะมากน้อยสันโดษท่านก็จะรู้จักเลือกเฟ้นจะทําให้พอเหมาะพอเจาะท่านก็จะรู้จักตัดสินท่านจะแจกจ่ายเจือจานท่านก็จะเลือกดูท่านก็จะดูเหมาะสมให้ทานต่อต่อไปซึ่งจะเป็นคุณค่าที่สูงมันทําบุญกับพระอริยะที่มีปัญญาสูงเท่าใดเท่าใดมันยิ่งได้อานิสงส์สูงเพราะมันยิ่งงอกยิ่งเจริญยิ่งเป็นประโยชน์ทั้งตนและท่านอันทวีคูณ การที่กล่าวนีนะ้อัตมาพยายามใช้ภาษาคิดว่ามันง่ายขึ้นแล้วนะอธิบายให้เห็นทิศทางที่มันสวนทางกันหลายๆอย่างให้เข้าใจแล้วถ้าคุณเข้าใจอย่างนี้แล้วไม่มีปัญหาคุณจะทําแบบมีพิธีการจารีตประเพณีอัตมาเคยแนะนําแล้วพ่อแม่ตายจะทําบุญก็ทําเถอะทำครั้งเดียวก็พอเลิกแล้วเผาแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลิกกันพ่อแม่เป็นๆ น, นี่แหละอนุเคราะห์กันให้มาก ดูแลกันให้ดีจะให้กินให้อยู่ก็อย่าไปมอมเมาท่านาดูแลกันให้ท่านได้กินให้อยู่โดยสิ่งที่มีคุณค่าอาหารมีประโยชน์สมเหมาะสมควรไม่ใช่ให้ท่านหลงติดรูปรดกลิ่นเสียงสัมผัส ด, ด้วยถ้าเราเก่งนะถ้าเราไม่เก่งก็เอาตามใจคุณจะให้ท่านกินรถ ด, ดีๆอะไรดีๆตามคุณที่จะเห็นว่าท่านจะเป็นบุญท่านจะสุขสบายอะไรก็ตามควรพ่อแม่บางคนก็กินของไม่อร่อยก็กินไม่ลงเพราะปฏิบัติธรรมไม่ได้ก็ตามแต่พอสมเหมาะสมควรตามฐานะ โอ้คุณก็อินดูเกื้อกูลจะกินจะอยู่จะใช้จะสอยให้ท่านเอาอนุเคราะห์ให้ท่านได้ทำสิ่งที่เป็นความเจริญจะให้ตังสตุงของท่านไปทําบุญทําทานก็เชิญท่านก็จะได้ไปเลือกทำของท่านเองตามปัญญาให้สิทธิ์ขาดของท่านไปจะให้อาหารการกินจะให้เครื่องอยู่อาศัยจะทําอะไรอะไรให้ท่านได้อยู่อย่างเป็นสุขโดยซ้อนมีถ้ามีในยากก็ให้ซ้อนไม่ใช่ไปบมเบรอร์ท่านจนกระทั่งกลายเป็นเฟอร์แล้วก็กลายเป็นโทษ อย่างนี้ก็ซ้อนอยู่ในทีเราจะต้องมีปัญญาทางธรรมแล้วก็บํารุงไม่ใช่บำเรอบํารุงให้ท่านอยู่ดีแข็งแรงสุขภาพร่างกายดีแล้วก็ให้ท่านได้สร้างสรรค์ขัดเกลาตนเองเราต้องฉลาดนะที่จะให้ท่านได้ขัดเกลาตนเองแต่ท่านไม่รู้ก็จะเพิ่งไปฝืนไปเขี่ยวเข็นอะไรแรงเกินไปนะพ่อแม่เนี่ยยิ่งท่านถือตัวว่าท่านเป็นพอ่อเป็นแม่นะ ลำบากที่เราเองเราจะพยายามช่วยพ่อแม่นี่ลําบากแต่เราก็เกื้อกูลให้ดีกตัญญูกะตะเวทีกันตั้งแต่พ่อแม่ยังไม่ตายคุณทําไปเถอะตลอดชีพมนุษย์เนี่ยพ่อแม่ผู้ใดยังไม่ตายเนี่ยทําไปตลอดตายเอาให้ดียังไม่ตายอุดหนุนจุนเจืออย่าบำเรอก็แล้วกันให้ท่านเป็นอยู่สุขหรือจเจริญทางทําให้ได้มากๆ ช่วยเกื้อกูลพอท่านตายแล้วจะทําตามจารีตประเพณีบ้างเพราะเราอยู่ในสังคมก็จงทําพอสมควรบางคนอาจจะต้องทําต่อบอกว่าอดไม่ได้ทนไม่ได้จะต้องทํามากหน่อยถ้าร่ํารวยก็ยงเชิญนอกจากทําวันเผาวันอะไรเสร็จเรียบร้อยได้ดีเร็วๆแล้ ว, ว, ว, วทำเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไป50วันก็ทําอีกทีก็เชิญถ้าคุณร่ํารวย คุณจะหาเรื่องหาเลทว่าเออถ้าเราทำบุญห่าสิบวันโดยอ้างว่าเป็นงานพ่องานแม่นั่นงงานศพพ่อแม่แล้วเราก็จะได้นัดแน่เพื่อนฝูงมาและนัดแน่พระมาให้พระในเทศนาโปรดคนเหล่านี้ยิ่งเราเป็นคนมีชู้เสียงมีเกียรติคนจะมางานเยอะแล้วเราก็นิมนต์พระเจ๋งเจ๋งมาเลยมินพระิมนต์พระองค์ดีมา เพื่อที่จะให้ท่านได้เทศนาะอบรมพวกนี้โดยอ้างโอกาสว่านี่เป็นโอกาสงานศพพ่อเราแม่เราแล้วก็นัดแนะเพื่อนฝูงมาเอามาฟังธรรมฟังเทศอะไรแล้วคนเหล่านั้นก็จะได้มีโอกาสฟังเทศฟังธรรมเพราะนโยบายพวกนี้จะทําให้เกิดการได้รับฟังเทศ ม, มาให้ไปวัดจริงๆให้ไปเองก็ไม่ค่อยจะไปทํามาบ้านเราก็เกรงใจเพราะเรามีเกียรมียศหรือมีศักดิ์ศรีอะไรอย่างนี้เป็นต้น เขาก็จําเป็นต้องมาแม้จําเป็นต้องมาถ้าได้มารับฟังธทำฟังเทศมันก็จเจริญ ม, มันก็ดีอย่างนี้ก็ต้องมีความรู้ว่าเราทําเพื่อการพัฒนาสังคมพัฒนามนุษย์มีนโยบายมีเชิงชั้นที่สามารถที่จะทําทให้เกิดการพัฒนาอยู่เรื่อยๆก็จงทําถ้าคุณร่ารวยพอถ้าไม่ร่ารวยอย่าไปเอาอย่างคนรวยคนจนอย่าไปเอาอย่างคนรวยเราทําไม่ได้ก็อย่าทํายิ่งนอกจากทําแล้วก็ไม่เกิดผลอะไร มีจะให้มากินมาแพรนสอนมันไม่ได้เอลพระมาก็สอนไม่ได้มาสวดมนอะไรก็ไม่รู้เรื่องสอนมันไม่ได้เอลพระมาก็สอนไม่ได้มาสวดมนอะไรก็ไม่รู้เรื่องเทศก็ไม่เทศสักกระตัวคนเหล่านั้นมาแล้วบอกว่าจะกินลูกเดียวอย่างต่างจังหวัดนี่กลายเป็นเรื่องเลอะเทอะพวงานคนตายนั่นนี่เสร็จแล้วพอบอกว่างานห้าสิบวันทิ้งร้อยวันทิ้งไอพวลูกบ้านจะมานี่ไม่มาอะไรนะไม่ต้องเชิญมันด้วยไม่ต้องออกบัตรด้วยพอบรรลุว่านี้งานบ้านนี้จะทํางาน เลี้ยงห้วันพ่อตายแม่ตา ย, ตายหรือร้อยวันนะไม่ต้องไปนัดแนะมันแล้มันมาเลยมากินลูกเดียวกินนะลมงวัวลม้ลมควายบ้านไหนยิ่งรวยมันยิ่งบอกโอยบ้านนี้รวยวะยิ่งเทฮโลเลยทั้งหมู่บ้านเลยควายเท่าไหร่งัวเท่าไหร่ก็ล้มกันไปกินให้เหลือเฟือเลยซึ่งมันไม่ใช่เรื่องเลยเนี่ยเป็นการล้มทับถ้าคุณร่ํารวยก็ทําไปอย่างน้อยที่สุดไอ้คนจนในหมู่บ้านนั้นแล้วมันก็แสดงความจิตคีรโสภาไอ้คนหมู่บ้านก็ มหาเรื่องจะมากินของเขาแล้วกลายเป็นจารีประเพณีที่เลอะเทอะไม่ได้ประโยชน์คุณค่าจิตของเขาไม่เกิดเลยจิตของคนจะมากินก็ตั้งใจมาโลภจะให้จะสอนก็ไม่มีลีลาจะสอนไม่มีนโยบายไม่มีรูปแบบจะสอนกันเพราะผ้าเหล่านั้นสอนไม่เป็นแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าไม่เข้าใจว่างานอย่างนี้จัดขึ้นมาเพื่ออะไรไม่เข้าใจมีแต่จะบำรุงบำเรอกันไปเท่านั้นไม่ใช่บำรุงนะบำเรอปลนเปลเรแล้วก็เฟอแล้วก็กลายเป็นจารีที่เผาผลาญเล่น ไม่เกิดคุณแต่ผลานเล่นะจะบอกว่ามีประโยชน์บ้างว่าอคนจนมันจะได้โอกาสมันมากินมันก็มากินอย่างจิตขี้โลภไม่คุ้มกันเลยว่าไอ้คนจนได้มากินหนึ่งมือแต่จิตขี้โลภเนี่ยมันเกิดเพียงนิดเดียวมันก็ขาดทุนมหาศาลในจิตขี้โลภนี่มากินได้ความผยองมากินได้ความเอาเปรียบเอารัดมากินได้ความตะกะตะกลามขี้โลภยิ่งร่ํารวยยิ่งผู้ดีเจ้าภาพเป็นผู้ร่ํารวยเท่าไหร่ไอ้คนมาทํายิ่งขี้โลภมาก ใจคนที่มากินก็ยิ่งบาปยิ่งต่ำยิ่งเสื่อมมันไม่ได้หมายความว่ามันจะไปสร้างสรรอะไรนี่อาตมาอธิบายนี่มันเชิงซ้อนมีเชิงซ้อนลึกซึ้งเข้าไปอยู่ถ้าใครฟังเป็นจะเห็นเด่นชัดว่าเออมันจริงอย่างนั้นเพราะนาโยบายเรยว่าจารีประเพณีแบบอย่างพวกนี้ถ้ามันเฟอแล้วมันไม่คารุบคารองแล้วอาตมานี่ก็หันตัดไม่เอานะ ถ้าใครจะนิมนต์อาตมาไปงานอาตมาก็จะทําประโยชน์ให้แก่เขาได้รู้ความจริงอะไรขึ้นมามากมายไม่ใช่ว่าจะมานั่งหลงกินหลงเลี้ยงอะไรกันไม่เขาท่าเพราะงัการจะทําบุญใส่บาตตรวจน้ำเนี่ยถ้าเผื่อว่าเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องตรวจรอกตรวจน้ําแต่ถ้ายังติดยังยึดอยู่ก็จะตรวจก็ตรวจไปก็ทำงั้นแหะการตรวจก็มีเชิงอาตมา ก, กันแน่ว่าจะจะตรวจก็หลั่งน้ําลงไปเนี่ยท่านอธิบา ย, ยว่าพระแม่โทรณีเป็นพยานเลยนะ ข้าพเจ้าจะทำทานอย่างนี้เหมือนอกับพระเวสสันดรหลังน้ำตอนที่ทานช้างทานมา้าอะไ ร, ะไรต่างๆนานาเพื่อยืนยันลงไปว่าเราจะทำกิจนี้อีกการทานเป็นของดีก็อย่างนั้นไม่ใช่ว่าตรวจน้ำหลังน้ำาลงไปคือจะให้เป็นสื่อเป็นสินเชยัน ต่อทอดไปแล้วส่งมันไปยังไงนะเอาน้ําเป็นสื่อส่งอะไรไปส่งทุเรียนไปยังไงส่งฝรั่งไปยังไงเอาน้ําน้ํากระดาษแผ่นดินไอ้ฝรั่งก็อยู่ในกระเพาะส่งยังไงเป็นสื่อนําบุญบุญคืออะไรบุญคือคุณงามความดีไอเอออาหารมาถวายพระความดีก็คือกรรมกิริยาที่เราถวายกรรมกิริยาที่เราทําทานเสียสละนี่เป็นความดีอาจจะส่งความดีนี้ไปพ่อแม่จะรู้ไปด้วยน้ําได้ยังไง น้ำเนี่ยไปกระซิบขี้ค้างหัวเลยบอกลูกทําบุญนะ่ะเป็นความดีนะแม่จงรู้นะว่าลูกเนี่ยการกระทําอย่างนี้เพราะงั้นพ่อแม่จงทําบุญตามลูกนะเอาอย่างลูกนะน้ำ ม, มันจะไปกระซิบบอกอย่างนั้นเหรอเนี่ยตามาวิเคราะห์ฟังชัดๆนะมันไม่มีเลยมันเป็นเรื่องเลอะเทอะมันเป็นเรื่องอุบายที่มันมันไม่เข้าท่าอุบายที่ดีอตาตมาเอานะามันเรียกว่ากุสโลบายกุศลบอกอุบายแปลว่า อุบายอย่างฉลาดเอ้าแต่อุบายอย่าง ง, งมงายอย่างงี้อจะมาไม่เอาอุบายหลอกกินอุบายเลอะเทอะเอาอะไรมาทําเป็นรูปแบบเป็นพิธีการเป็นนู่นเป็นนี่เขาแล้วเล่นล้วงตับกินไส้นี่เป็นอุบายของผีกระสือไม่ใช่อุบายไม่ใช่กุศโลบายของพระเป็นกุศโลบายของผีกระสือเนี่ยเราล้วงตับกินไส้ถ้าเราแบ่งกุศโลบายเป็นของผีกระสือกับกุศโลบายของพระไม่ออกนะเราถูก ผีก็สือล้มตับกินไส้ตลอดการนะเพราะเขาทําความเข้าใจดีๆาศาสนาพุทธไม่ใช้น้ําเป็นสือ่อไม่ใช้ไฟเป็นสือ่อสินจัยัานอักขียัญเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านห้ามกันเลิกท่านแก้ไขปรับปรุงไม่เอาแต่ใครจะติดอยู่ไปทำก็แล้วแต่ของเขาอาตมาผูดนี่บอกเพื่อให้รู้ผู้รู้ก็เลิกผู้ไม่รู้จะทําอยู่ก็ตามใจเราก็ไม่ได้ไปบังคับใครได้นะเพราะผู้ใดติดก็จะมีจิตใจอย่างที่ยกตัวอย่างอ่าน ข้อถามนี่มาแล้วบอกว่าถ้าได้ทําไปอย่างนี้แล้วนะโดยจิตติดคือได้ไปทําทีนึงก็ไม่ฝันถึงพ่อแม่ที่ไม่ฝันนี่เพราะอะไรเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเองเราจะทําบุญไปหาพ่อแม่ไอ้ที่ฝันนั้นก็ไม่ใช่พ่อแม่มาหาใจเราจิตวิญญาณของเราประวัติห่วงหาอาวอ์เป็นสภาพกังวลความฝันไม่มีความจริงความจริงไม่ใช่ความฝัน ถ้าลีลาของเรื่องความฝันมันแบบบังเอิญตรงกับเหตุการณ์จะเกิดในอนาคตนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเขามาบอกลางมันหมายความว่าเราคำนวณแม่นฝันนั้นนะในจิตใจของเรามันคำนวณแม่นมันเดาไปถูกมันก็เลยเป็นเรื่องนี่มาบอกมันมาบอกเรื่องมันจะเป็นอย่างนี้นะเสร็จแล้วก็เหตุการณ์ข้างหน้ามันก็เกิดมาตรงกับที่เราฝันมันไม่ได้หมายความว่าเขามาบอกเราคำนวณแม่นของเราเองเดาแม่นของเราเองค่ะคะแนนแม่นของเราเองแล้วมันก็มาบอกเป็น เป็นรูปเรื่องให้เรารู้ในฝันฝันไม่ใช่จริงจริงไม่ใช่ฝันนะเพราะได้บอกว่าพ่อแม่มาเข้าฝันพ่อแม่มาเข้าไปได้ยังไงฝันพ่อแม่มาเข้ามาในฝันไม่มีนะใจเราคิดนึกใจเราประวัติแล้วก็ไปเป็นรูปเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้ตามภูมิปัญญาของเราเราเข้าใจว่าพ่อแม่จะต้องยิ้โห้อยจะต้องตายแล้วต้องกินข้าว โอ้ยตายแล้วมันไม่กินข้าวถ้ากินข้าวคุณต้องให้กินทุกวันวันละสามมือ้อแล้วคุณจะไปทําบุญถึงพ่อแม่วันละสามมื้อไหวเหรอแล้วถ้าไม่ไหวอย่างนั้นแล้วปีหนึ่งคุณค่อยไปทําพราะพ่ อ, พอแม่ตายแล้วอดข้าวตั้งปีคือตายไปแล้วนะตายต่ออีกเลยตายไปแล้วนะไม่ให้กินข้าวตั้งปีก็ไปทําอีกทีตายต่อเลยมนุษย์ตายไปเป็นอะไรแล้วท่านี้จะไปทําบุญถึงที่ไหนแล้วท่านี้ ไอตัวตายไปทีหนึ่งแล้วก็ว่าจะทำบุญไปถึงแล้วปีหนึ่งเขาไปแอคทาทีหนึ่งแล้วอีกปีหนึ่งอดข้าวเนี่ยมันไปทนไหวอะ่ะมันก็ตายแล้วอ่ะ <c oughs> แล้วตายแล้วตอนนี้ไปไหนก็ไม่รู้ตอนนี้จะทำไปถึงไหนแล้วตอนนี้แต่ไปทำให้ไปให้ไปไหนอะ่ะถ้าไปวอาว่าตายแล้วมันก็มีอยู่สองฝั่งตายกับเกิดถ้าตายจากตอนนั้นก็คงมาเกิดแล้วตอนนี้ <c oughs> ก็ปีหนึ่งไม่ให้กินก็คงมาเกิดแล้วอ่ะ ถ้าตายมันก็กลับไปกลับมาเป็นสองอย่างเพราะถตายก็เกิดถ้าตายต่อไปนั่นอีกคือตายอะไรล่ะตอนนี้ก็เรียกว่าเกิดก็คงกลับมาเกิดแล้วถ้าบุญมีก็มาเกิดเป็นคนถ้าบุญไม่มีก็ไปเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่สัตว์เสือสิงสาหมาแมวอะไรก็แล้วแต่ก็ไปเกิดแล้วอ่ะหรือจะไปเกิดเป็นอะไรก็ตามใจอซึ่งมันก็คิดไม่ออกแล้วเราก็ไ ม, ไม่ไม่เห็นจะน่าคิด พระพุทธเจ้าท่านก็ห้ามคิดและท่านก็ไม่สอนให้ไประลึกถึงอย่างนั้นให้ระลึกถึงกรรมดีถ้าเราทํากรรมดีเราไปดีไปตามบุญตามกรรมเราทํากรรมไว้ดีไปบุญดีเพราะฉะนั้นพ่อแม่เป็นเๆในท่านทำกรรมดีอุนุนจุนเจือท่านในท่านทำกรรมดีตั้งแต่เป็นๆ น, น, น, นี่สิกตัญญูกตวเวทีตายไปแล้วไปช่วยอย่างนั้นช่วยกันไม่ได้จะบอกว่ามีลีลาว่าเนี่ยเราเป็นผู้ที่กตัญญูกตวเวทีระลึกถึงพ่อแม่อมาแอกระลึกถึง ปีนึงจะกี่ครั้งเอาเขาสงกรานทีหนึ่งเอาชื่อมาเขียนไอ้อาตมาก็บอกแล้วยิ่งเขียนชื่อปู่ย่าตาทวดมากๆได้เท่าไรเอาชื่อละร้อยชื่อละพันหวานเลยพระยิ่งนั่งสดยิ่งนั่งได้มากก็หลายชื่อก็ยิ่งหลายร้อยอ่ะหลายถ้าชื่อละร้อยก็หลายร้อยชื่อละพันก็ยิ่งหลายพันหวานคอแรงคอกาเลยเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งนะอาตมาว่าพวกเราเนี่ยมาศึกษาเถอะอาตมามีอีก มากมายที่จะวิเคราะห์วิจัยเจาะลึกให้เห็นว่าความละเมียดละไมของธรรมะความทานการทานก็ยังจะพูดกันอีกมากาการรักษาศีลเพื่อให้ขัดเกลาก็ยังจะพูดอีกมากการปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลเป็นภาวนาใหม่ปรากฏผลก็คือทานและศีลนี่แหละเป็นหลักใหญ่แล้วก็เกิดภาวนาใหม่ซึ่งเราจะต้องมาเรียนรู้สัจจท่แทจริง ว่าในวันนี้เอาเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นเรื่องที่จะอธิบายธรรมะกันก็ขอสรุปให้คุณเห็นชัดเจนสําหรับเจ้าของจดหมายเจ้าของปัญหาว่าคุณจะทําบุญถึงพ่อแม่ที่ตายเนี่ยจะมีจารีประเพนีเล็กน้อยก็ทําไปแล้วก็อย่าไปห่วงหาอาวร์ให้รู้ว่าตายพ่อแม่ตายแล้วเลี้ยงลูกให้รู้จักโตเลี้ยงพ่อแม่ให้รู้จักตายตายแล้วจะทําจารีประเพณีเล็กๆน้อยๆดังกล่าวไปแล้วก็ทําบ้างแล้วก็พอ กรรมใครกรรมมันกุศลกรรมก็เป็นของท่านอกุศลกรรมก็เป็นของท่านตายไปแล้วไม่ใช่ปรัตตูชีวกระเพดตายไปแล้วมันเป็นวิญญาณที่ไปแล้วเราเนี่ยมาช่วยกันในปรัตตูชีวกระเรดเปรดที่เป็นเป็นเนี่ยช่วยคนเป็นเลิกพอแม่ตายแล้วให้รู้จักตายเลี้ยงพ่อแม่รู้จักตายเลี้ยงลูกให้รู้จักโตอ่พอตายแล้วก็เลิกกันอ่ hasta then. Hasta then. แล้วก็ไม่ต้องไปคิดพิลึกพิลกอะไรว่าจะต้องส่งอะไรไปพ่อแม่กินกินยังไงกันห่าวิญญาณนะมันไม่กินดินน้ําไฟลมไอทุกคุณจะให้ไปกินมันดินน้ําไฟลมเนี่ยเป็นข้าวเป็นน้ําเป็นฝรัง่งเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นธาตุประชุมอยู่ในโลกนี้อในโลกวิญญาณไม่มีในโลกวิญญาณไม่มีอย่าไปหลอกกันกินลมลมแ้งแรงไปหลอกว่าจะส่งฝรั่งไปกินแล้วเขาก็อธิบายว่า พ่อแม่ก็เลยเห็นรูปเป็นฝรั่งไม่ไม่เป็นดินน้ำไฟลมหรเป็นรูปฝรั่งแล้วก็กินรูปฝรั่งเป็นรูปรูปไอ้รูปไปปั่นๆนะนะกินเข้าไปเออก็ไม่ต้องปั่นก็ปั่นเองกินก็ได้ถ้าอย่างนั้น่ะก็มันปั่นเองลมๆแรงๆอ่ะอย่าไปนั่งให้คนนั้นคนนี้ปั่นกันไปให้มันยุ่งยากทําไมแล้วก็ปั่นเองซะเลยจะกินฝรั่งชนิดไหนล่ะนี่เขาว่าฝรั่งเวียดนามก็กินเลยฝรั่งเวียดนามลูกโตทีนี้ก็ฝรั่งอะไรจะลูกโตก็เวียดนามมีกัน ฝรั่งลาวเหรอเพราะใหม่ที่เพราะฝรั่งลาวลูกโตกว่าฝรั่งเวียดนามไหมฝรั่งอย่างเดียวยังไม่พอยังเอาเวียดนามมาบวกแล้วทีนี้ก็ฝรั่งเวียดนามลาวเลยสามชื่อเลยจะได้ตัวลูกโตกว่า น, นี้ก็ <c oughs> กินเข้าไปทีสมมุติอะไรขึ้นมามันเรื่องเหล่านี้ถ้าไม่เข้าใจด้วยนามธรรมและวัตถุธรรมที่ถูกต้องอย่างละเอียดละอ่อแล้วมันสับสนแล้วมันเลอะเทอะแม้ว่าขอให้คลายใจเถอว่า คุณยาไปแล้วก็มาพอว่าโอ๊ยทำงานฉันจะทําบุญไปถึงพ่อแม่อีกกี่ชาติพ่อไม่รู้ว่าท่าไปเกิดแล้วยังไม่ต้องห่วงอะ่ะเกิดไม่เกิดก็เรื่องของบุญบาปของท่านจิตวิญญาณของท่านไปตามกรรมกรรมสกโกมหิกรรมเป็นของของตนแล้วผู้ที่มีกรรมดีกรรมชั่วนั้นก็เป็นทายาทของกรรมไปเองอ่าจะได้พึ่งหนักพึ่งเบาจะได้พึ่งดีพึ่งชั่วจะได้พึ่งสุขพึ่งทุกข์ก็เป็นกรรมของคุณนั้นทําคุณนั่นแหละทากรรมของคุณให้ดี สอนพ่อแม่ใค้พ่อแม่ทำกรรมที่ดีถ้าคุณสอนสามารถสอนพ่อแม่ได้หรือพ่อแม่สอนลูกก็สอนลูกให้ทำกรรมที่ดีก็จะได้พึ่งกรรมที่ตนทำเป็นของของตนนั่นเองทำแทนกันไม่ได้แบ่งกันไม่ได้แจกกันไม่ได้ถ้าแบ่งแจกได้ต่อมาก็วิเคราอยฟังแล้วก็แบ่งบาปทิ้งหมดที่เรื่องอะไรเราจะมาแบ่งบุญเท่านั้นเองก็แบ่งบาปให้เกลี้ยงไปเลยไม่ต้องเหลือบาปกันพอดีมันแบ่งไม่ได้บาปก็แบ่งไม่ได้บุญก็แบ่งไม่ได้ แนกันพอได้และผู้ที่มีสุรภ า, าโวอิตสติมันโตผู้มีดินน้ำไฟลมเป็นแท่งก้อนเนี่ยวสุรภ า, าโวมีอยู่ในโลกนี้โลกที่เป็นมนุษย์นี่เป็นร่างเนี่ยนี่แหละเป็นโลกที่จ ะ, จะเจริญทางธรรมพรหมจรรย์ศาสนาสอนกันให้รู้ความดีความชั่วบําเพ็ญบาปบําเพ็ญบุญกันตรงนี้อย่าไปบำเพ็ญบาปบําเพ็ญบุญบําเพ็ญบาปบําเพ็ญไปทำไมบําเพ็ญบุญกันทาให้มันเกิดบุญเกิดกุศล น, นี่แหละได้ในโลกนี้แท่งนี้เนี่ยดีที่สุด ที่ถ้าพรมจริยวารโสนอกกว่านั้นแล้วโอ้ยขนาดบอกกั น, น, น, น, น, ก จ, กนกจะเป็นๆเนี่ให้ทําบุญมันก็ทั้งยากแสนยากเนี่ยจะไปเข็นบอกไอ้คนตายมันทําบุญพระพุทธเจ้าไม่ไม่แนะนำพระพุทธเจ้าแนะนําให้นี่มาช่วยกันนี่มนุษย์เป็นๆ น, นี่นะมนุษย์ตายแล้วก็ปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปเลยนะเพราะวพ่อแม่ที่ตายไปแล้ว พยายามทําความเข้าใจให้ดีนี่อาตมาพูดโดยสัจจะไม่ใช่ว่าไม่มีเมตตาไม่เกือกูลไม่เอื้อเฟือ้อไม่ห่วงหาอว่อาตมาไม่ห่วงหรอกทุกอย่างเป็นไปตามธรรมห่วงหาอาวบเป็นทุกข์นะพ่อแม่ได้ทําบุญคุณอะไรเอาไว้เราจดจําบุญคุณก็คือคุณงามความดีเราเอาคุณงามความดีที่พ่อแม่เคยบําเพ็ญ น, นั้นมารักษาไว้พ่อแม่เราเคยทําดีอันนี้เอาเราทําดีตามทําให้ดียิ่งกว่าก็ได้หรือทําให้เหมือนถ้าเป็นความดีที่แท้เอาเลย พ่อแม่ท่านทำชั่วไม่ต้องเอามาถ้าเรารู้ว่านี่เอ้ยพ่อแม่ท่านทำอันนี้ไม่ดีอันนี้เป็นกรรมกิริยาชั่วเราอย่าไปเอากรรมกิริยาชั่วของพ่อแม่มาทําเอามาทําทําไมกิริยาชั่วกรรมชั่วไม่เอาอ่อาอกุศลไม่เอาเอาแต่กรรมดีมาเราทําดีที่พ่อแม่เคยทํารักษาไว้ก็ดีแล้วนี่นเราเรียกว่ารักษาสกุลรักษาสกุลคือทําสิ่งที่ดีที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยทํำดีเอาไว้รักษาไว้เลยอันไรไม่ดีปรับปรุงขึ้น พ่อแม่ทำไม่ดีปู่ย่าตายายทำไม่ดีอันนั้ น, น, น, นเราไม่ต้องเอาเราเป็นลูกที่ดีที่ปรับปรุงกรรมกิริยาที่ดีถ้าเผราะว่ายังมีสกุลอยู่ก็จะได้รู้ว่าโอ้ยสกุลนี้เ้ารักษาความดีของพ่อแม่ทำไวของปู่ย่าไว้แล้วเขายังแถมทำความดีใหม่ที่เจริญงอกงามกว่าเก่าเข้าไวอีกอย่างนี้เป็นความเจริญที่ดีการจะตรวจนา้าตรวจท่านี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ จะรีประเพณีของพูดอยู่แล้วและการจะส่งอะไรอะไรไปให้นี่ก็อธิบายแล้วว่ามันไม่ถึงมันไม่ไปของใครของมันยิ่งวัตถุยิ่งหน้าขำบอกแล้วไปส่งวัตถุรูปไปดินน้าไฟลมไปมันยิ่งตลกแม้จะส่งโดยจิตวิญญาณก็ส่งไม่ได้จิตวิญญาณส่งไม่ได้และขอถามหน่อยสิขณะนี้คุณรู้ไหมว่าพ่อแม่อยู่ไหนถามพระที่คุณไปทําบุญด้วยสิพอ่อดิฉันอยู่ตรงไหนเดีนี้ชี้ให้ดูทีพระองค์ไหนจะชี้ได้ ก็พอ่ออยู่ตรงไหนแม่อยู่ตรงไหนนะ่ท่านอยู่ตรงนั้นแน่นี่ท่านอยู่ต้นเสานี่แน่เออเราไปอยู่ต้นเสาอยู่ยังไงมันไม่เรื่องตลกสิ้นดีทิศทางถ้าเขาอยู่ก็ไม่รู้นะและจะเอาไปให้ใครเอาไปให้ที่ไหนก็ไม่เมื่อไม่รู้ที่อยู่อยู่ที่ไหนแล้วจะเอาไปให้ยังไงมันงมงายไปหมดนะมันไม่ไม่ถูกทิศถูกทางมันไม่ถูกเรื่องถูกราวนะถ้าเข้าใจโดยลึกซึ้งตามพระพเจ้าท่านบอกว่า กรรมสกุลมหิกรรมทายาโทรกรรมโยนิกรรมพันธุกรมกรมปฏิส ร, รโนกรรมเป็นของของตนยิ่งตายแล้วแล้วก็ประกอบกรรมไม่ค่อยได้ไปตายแล้วเนี่ยประกอบกรรมอะไรไม่ได้หรอกเพราะจิตวิญ ญ, ญาณก็เป็นแต่เพียงว่ามันก็ดิ้นรนไปตามกรรมสแสวงหาที่เกิดก็ตามใจเขาทุกร้อนเพราะเขาสแสวงหาความติดเขาติดอะไรเขาก็สแสวงหาตามจิตที่มันเป็นความ ติดยึดที่ไม่ปล่อยไม่วางเพระฉ้นพรอาหารท่านหมดปล่อยวางแล้วทํานไม่เรืออะไรแล้วตายแล้ววิญญาณที่ไม่หาหาหที่เกิดอีกเลยเพราะไปสแสวงหาอะไรอีกแล้วปล่อยหมดแล้วจริงและปล่อยได้จริงเลยนะจิตวิญญาณถ้าปล่อยละจริงจงไม่เอาวรนอะไรอะไรไม่ติดอะไรมันจึงสูญสลายมันไม่นําเกิดแต่คนที่ยังมีกิเลสอยู่มันจะต้องนําเกิดตามจุดที่จิตของเราติดอยู่อาการจิตที่เราติดอยู่จริงมันจะมาเกิดมันแสวงหา แล้วเราต้องเรียนรู้จิตที่แท้จริงจนกระทั่งลึกถึงขั้นอรูปราชาให้เห็นเลยว่าโอของเราเนี่ยไม่มีต้องการอะไรอีกแล้วแม้ที่สุดยังต้องการเป็นโพธิสัตว์เราก็มาเกิดถ้าต้องการมาเป็นโพธิสัตว์แต่ทุกคุ ณ, คณมีบุญบา ร, รมีก็ดีแล้วมาเกิดเป็นโพธิสัตว์แต่ถ้าคุณไม่มีบุญบา ร, รมีคุณก็ต้องมาเกิดไ ม, ไม่เป็นพระอาหารหันต์ก็ต้องมาเกิดพระโพธิสัตว์ก็เป็นอาหารหันต์สั้นท่านมีสิทธิที่จะท่านตายศูน แต่ท่านไม่จะไม่ยอมศูนย์ก็ไม่เป็นไรในคนดีมาเกิดในสังคมมาเกิดในโลกมนุษย์คนเป็นอรหันตผลคนที่มีคุณงามความดีเสียสละตั้งแต่เป็นถึงก็เสียสละตายแล้วจะจะเกิดม า, าเสียสละอีกใหม่นีมนเลยคนจะไม่ค่อยจะปัาถนาตั้งพุทธภูมิมที่เยอะถ้าตั้งพุทธภูมิอีกชชินเลยมาเกิดมาสู้กับไอโลกมนุษย์ขี้เหม็นนี่มันหนั ก, นกหนาช่วยมันยากแสนยากแต่ก็มาช่วยมันหน่อย ถ้าไม่มีพระโพธิสัตว์เสร็จแล้วมันก็ไม่มีเชื่อมโยงไม่มีจังหวะเชื่อมก็ต้องมีพระโพธิสัต์เป็นจังหวะเชื่อมที่ท่านต้องมีจิตที่สู้ที่เป็นพระโพธิสัต์ที่จะต้องช่วยมาปลูกฝังความรู้ที่ท่านได้รู้จากพระพุทธเจ้าก็มาต่อความรู้พระพุทธเจ้าไปก็พระโพธิสัต์เองไม่นผู้มาต่อความรู้พระพุทธเจ้าถ้าไม่ใช่พระโพธิสัต์ความรู้ไม่ใช่ตัวตัดสัรู้มันก็เป็นความรู้ของคนโลกิยะ เพราะฉะนั้นยุคใดๆก็แล้วแต่อยู่ในสมัยที่พระพุทธเจ้ามีเนื้อหาสาระถ้าเนื้อหาสาระชัดกร่อนแล้วพระโพธิสัตวต้องมาต่อเนื้อหาสาระของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มาต่อมันกร่อนแล้วมันเป็นความรู้ของคนที่เบี้ยวเบี้ยวความรูม้พระพุทธเจ้าพราคนโลกโลกที่ไม่มีปัญญาตัดสู้แล้วก็มีผู้ที่มีปัญญาตัดสู้แล้วมาต่อถ้าไม่ต่อมันก็ขาดวิ่งเาฟังดีๆแล้วจะเข้าใจจะเห็นชัดเจนนะ วันรท่านเองท่านจะมาสู้ทุกข์อีกถ้ามีสิทธิ์ที่จะไม่สู้ทุกข์อีกแล้วจะสูญหายไปแต่ท่านมาทํางนี้ก็มันก็เป็นบุญนะท่านก็เอาความรู้จริงเขามาสืบต่อมันก็เป็นบุญแต่ถ้าใครเห็นว่าโอ้โหมันเหน็ดเหนื่อยนักหนาเลยก็จะเลิกก็เลิกเมื่อไหร่ก็เลิกพระบริษัทธองค์ไหนจะเลิกเมื่อไหร่ท่านก็เลิกตามตามความขอใจของท่านแต่ผู้ที่ยังไม่เป็นพระบริสัทธ์จริงยังไม่มีความรู้ตัดสรุปมันเป็นอาถรรพณ์จริงนะก็เป็นพระบริสัทธ์ขี้เกะก็เป็นสมมติโพระบริสั เมืนสมุติที่สงเนี่ยสมมุติโพธิสัตว์แต่เขาไม่เคยเรียกกันนะก็เว็นตะโพธิสัตว์ที่สมมติน่ะมันปลอมตัวปลอมสมุติแปลว่าของปลอมของสมมุติไม่ใช่ของจริงก็ปลอมๆอยู่มันโพธิสัตว์แท้กับโพธิสัตว์จริงก็มีอย่างจริงได้จริงก็เพราะว่ามันจริงมันไม่สมมุติแต่สมมติมันก็ยังไม่จริงก็เท่านั้นเองนะอนัยยะต่างๆพวกนี้พูดได้ลึกละเอียดได้มากกว่านี้อีกถ้าจะวิเคราะห์กันไปแล้วก็ขอจบ นะขอบอกคุณว่าฟังธรรมอัตมาวันนี้ก็สบายสบายใจไปในข้ออัตมาจะทวนให้ตัดสินให้แต่ละข้อแต่ละข้ออันนีฉันสิ้นคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วค่ะอ่าก็สิ้นไปแล้วก็สิน้นแล้วก็อิสระเสรีที่จะไม่ต้องห่วงหากาังวลไม่ต้องช่วยเหลือเกลือ ก, กูลท่านอีกแล้วเพราะท่านสิ้นไปแล้วก็สิ้นไปนิ่ฉันจะต้อนทําบุญส่งอาหารที่ท่านชอบไปให้โดยเลี้ยงพระในวันครบรอบที่ท่านตายคุณก็ทําไปแล้วก็พอแล้วละ่ะเพราะ ทำครั้งเดียวก็พอบอกแล้วไม่ต้องไปทำมากมายนะที่จริงก็ทำไปก็ไม่ถึงอะไรนี่ทำบางสุกุลกระดูกในวันสงกรานไม่ต้องแล้วกระดูกก็เอาไปโรยน้ําเสียแล้วก็เลิกกันทุกครั้งที่ดิฉันทำบุญดิฉันจะต้องคิดเสมอว่าคุณพ่อคุณแม่ของดิฉันจะจักต้องคุณเอาอะไรมาบังคับว่าจะต้องได้รับมันไม่จักต้องมันไม่ได้รับไม่ได้รับแล้วอ ไม่ได้รับหรอกเพราะตั้งใจทําให้ในวันครบรอบโดยเฉพาะถึงจะวันครบรอบหรือไหมครบรอบอยังไงมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดเพราะเพราะวันครบรอบนะมันไม่ได้ด้วยความเป็นจริงมันไม่ได้อยู่แล้วหา้าดิฉันไม่ชอบใส่บาตรเพราะเพื่อนดิฉันเคยเห็นพระถ่ายอาหารจากบาตรใส่อ่างให้ลูกศิษย์เอาไปบ้านก็จําไว้พระองค์ไหนไปทําอย่างนี้เห็นไหได้เสื่อมศรัทธาเห็นไห ม, ไ ม, ไหไหมพระจําไว้นะฟังแล้วก็จําไว้นะ แต่ถ้าพระท่านไม่ใส่บาตรไอ้พระท่านไม่ถ่ายบาตรพระองค์นั้นท่านไม่ถ่ายบาตรให้ลูกศิษย์เอาไปบ้านก็ใส่บาตรท่านหน่อยประเดี๋ยวพระก็จะตายหรอกพระดีๆมีนะอย่าไปเบื่อพระพระดีๆมีสอสแสวงหาพระที่มั่นใจแน่ ใ, นใจว่าโอ้พระองค์นี้ท่านไม่เบี่ยวถ่ายบาตรให้ลูกศิษย์เอาไปบ้านแนะ่ก็ใส่บาตรให้พระองค์นั้นท่านกินหน่อยนะแล้วก็ดิฉันจะต้องทําอาหารถวายถึงกุฏิและกลับไปตรวจน้ําที่บ้านอ่นะ กลางตําราด้วยนะโถก็หลายซับหลายซ้อนครองก็ไม่ครองย่งกลางตําราตรวจน้ำซะอีก <c oughs> ก็เลิกตรวจได้แล้วนะเลิกตรวจได้แล้วไม่เป็นรายหรอกนะดิฉันจะทําอาหารถวายถึงกุฏิดีไปถวายท่านเลยถึงกุฏิแต่พาผู้ชายไปด้วยนะไปถวายสองต่อสองไม่ดีนะีมันอาบัติพระแล้วนะเรื่องมิตรผู้หญิงไปด้วยกันเป็นโขงก็มันยังคุ้มอาบัติไม่ได้นะท่าจะถวายถึงกุฏิก็ดีและให้พระท่านเทศน์ฟังด้วย พระท่านจะได้เทศน์มาถวายของท่านก็เทศน์้ฟังจะทราบได้อย่างไรว่าท่านทั้งสองไปเกิดแล้วหรือยังไม่ทราบอาตมายังไม่รู้เลยว่าแม่พ่ออาตมาไปเกิดแล้วยังก็าตายนานแล้วเหมือนกันยังไม่รู้เลยแล้วอาตมาก็ไม่เลยพยากรอาตมาก็ไม่ปยังยานดูด้วยถ้าจะไปเกิดหรือไม่ไปเกิดก็แล้วแต่ท่านตามกรรมของท่านคุณไปทํำยังไงก็ถ้าสมมุติว่าเราตั้งยังยานไปรู้ได้ น, ะนี่พ่อแม่ไปเกิดแล้วนี่ตายไป5ปีถึงจะเกิด ท่านก็ไปเกิดห้าปีแล้วแล้วมันจะไปมีท่าอะไรล่ะคุณและเกิดแล้วใหม่มันก็ไม่ใช่พ่อเก่ามันก็เป็นพ่อใหม่เมื่อคนปีชาตินี้มาแม้ลราลึกชาติได้ว่าชาติก่อนคนนี้เคยเป็นพ่อเป็นแม่มาวุ่นวายกันอยู่ชาตินี้อาตมาจะบอกให้เนี่ยมันเคยเกิดเป็นพ่อเป็นแม่กันมันหลายเยอะแยะเลยเนี่ยในนี้ยเกี่ยวพันกันอยู่ตายเลยคนแม้พ่อเนี่ยเราราลึกได้เนี่พ่อเราเกิดนี่มันเกิดเป็นนี่ต้อง ยี่สสคนตายระหว่างเราจะเรียงกันไหวเลยเนี่ยพออีกตั้ง20่สบสาคนนี่จะตายกันพอดีชักกันเลยยุ่งเลยยุ่งตายแบบเดียวกันกับใช้จำนวนของอะไรนะคุณประสิทธิการจนทวัฒน์เลยยุ่งตายจำนวนของคุณประสิทธิการจนทวัฒน์ยกไปอาตมาก็ยกไปเลยอาตมาไม่กล่าวคำนั้นก็ยุ่งแย่เลยไม่ไหวอ่ะนะ เพราะงั้นมันมีคนเกี่ยวกันยิ่งมหายานเขารู้ลึกแล้วอาตมาก็เข้าใจเนี่ยในที่นี้จะบอกได้เนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นอะไรอะไรกันเยอะแย ะ, ะเราไม่ไปต้องไปคิดก็มันเกิดมาใหม่ร่างใหม่ถือว่ารอบใหม่แล้วยังมันนับเป็นพ่อเก่าแม่เก่าอยู่ตายแล้วยิ่งคนไหนมีเวรมีกรรมมากเกิดนานับชาตินะยิ่งหลายหมื่นหลายแสนชาติแล้วตายก็ยิ่งมีพ่อมีแม่ยิ่งเยอะก็ชวยกันพอดีเลย ยิ่งเราลือกชาติได้ยิ่งสวยตายแบบนี้ยิ่งไม่ไหวอ่ะมันต้องตัดรอบนะไม่เอาอย่างงี้ไม่เอานะพอเง้นก็เลิกคิดเรื่องนี้ท่านจะไปเกิดหรือยังช่างทันนะไปตามบุญตามกรรมดิฉันจะต้องทําบุญให้ท่านอีกนานเท่าไหร่นั่นน่ะสีอย่างงี้มันก็สวยกันพอดีนะเพราะดิฉันเองทำบุญครั้งหนึ่งก็บาปจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าหนึ่งก็ยิ่งทําบุญรู้ว่าตัวบาปด้เพราะจิตใจดิฉันไม่บริสุทธิ์ไม่สงบชอบนั่งคิดว่าแล้วโอ้โหกองกอของอจอ ตายทําบุญทีก็คิดแต่ข้อจอนู่นไหนึนะ่งสองสามสี่ห้าหหข้อแล้วมันไม่ถูกยังไงไหวทําบุญทีก็กังวลไปถึงหข้อทําบุญทีก็ไม่ว่างทําบุญทีก็กังวลทั้งหข้อทุกตายเลยเพราะงั้นเลิกคุณทาบุญอย่างนี้เลิกเลิกทําบุญอย่างนี้จะได้สบายใจบ้างแล้วมันเลิกก็บอกแล้วว่าไปตามบุญตามกรรมอยู่แล้วนะ อย่างเงี้ยมันแม่ตั้งจิตไว้ผิดนี่นะมันไปใหญ่เลยนี่ทุกใหญ่เลยนี่เห็นเลยนะเนี่ยพูดมาก็เห็นจ้าเจ้าอยู่แล้วว่าทุกกันเท่าไหร่เนี่ยตายข้อที่แปดห้ามว่าห้ามอาตมาจะโดยว่าอย่าตอบว่าการทําบุญไปแล้วนี่ผู้รับจะเอาไปให้ใครหรือจะทําอะไรก็ได้คือเอาไปให้คือหมายเขามาเอาไปให้ใครแล้วว่าเออแล้วแไปให้ใครก็ได้อย่าตอบว่าอย่างนี้ถ้าไม่ตอบอย่างนี้ให้อาตมาตอบว่ายังไง ให้บอกเออถ้าให้ไปให้ใครแล้วคุณก็ต้องตามไปด้วยนะตายที่คุณก็เลยไม่จบกันพอดีก็บอกว่ามันไม่ตัดมันก็เลยต้องผูกพันกังวลเงื่นไปแล้วจะไปยังไงมาไม่คิดก็ไม่ออกอีกลอยยิงกลุ้มใหญ่เลยตายยิงมืดหน้ามัวตาตายเลยเ <laughs> นี่ยทําใจในใจไว้อย่างนี้มันเป็นการทําใจในใจไว้ผิดพลาดนะเพราะว่าอย่าทําอย่างนี้นะเพราะการทําทบุญนะ ทำไปแล้วผู้รับจะเอาไปทําอะไรให้ใครก็ได้ช่างเถอะต้องตอบอย่างนี้ขีดเส้นแดงมาด้วยนะวบอกว่าอย่าตอบอย่างนี้นะต้องให้คุณทำํำจะให้ไงตอบไปอย่างนี้แหละขีดเส้นแดงมาให้ตายไงก็ต้องค้านแยงคุณละ่ะเอกก็ยอย่าอย่าไปกังวลนะคุณจะเอาไปให้ใครแล้วเขาจะเอาไปทําอะไรถ้าคุณจะทําคนนี้คุณแน่ใจว่าคนนี้เป็นคนมีปัญญาเป็นพระเป็นผู้เป็นอริยะ ให้ไปแล้วพระอริยะท่านจะไปทําอะไรท่านต้องไปทําเป็นสิ่งกุศลเป็นของเจริญแน่ปล่อยใจเลยแต่ถ้าคุณให้พระอริยะไม่ได้ไปให้คนไม่ทำเป็นเป็นคนบาปเป็นคนที่ไม่เคาท่าก็แน่แล้วคุณเอาปืนเอามีดไปให้ไอเ้เสือหรือคุณเอาเงินไปให้ไอ้โจรไอ้โจรมันก็เอาไปซื้อมีดซื้อปืนมายิงคนยิงอะไรแต่ไรก็แน่สิแ้่คุณเองคุณยังไปคิดยิงคุณจะเห็นบาปเลยตอนนี้ยิ่งทุกข์ใจก็อย่าไปทําบุญกับคนไอ้โจรอย่างนั้น ก็ไปทําบุญกับบัณฑิตไปทําบุญกับผู้รู้โดยเสด็จพระราชกุศลก็ยังดีนะหรือว่ารู้ว่านี่เป็นพระอริยธรรมบุญนี่เป็นโสดาสกิทานาคายิ่งได้บุญสูงก็เชิญทําไปสินะนี่ขั้นตอนพระเจ้าตรัสสอนไว้ละเอียดหมดแล้วนะอ น, นอกจากนั้นอาตมาก็ไม่อ่านอีกแล้วมันยาวนี่ยหลายอันหลายอย่างนะนี่คุณก็อธิบายเรื่องของคุณไปถามถ่ายพระอื่นๆมาก็ไม่มีแล้วข้ออื่นไม่มีอะไรมากนะก็ขอ เคลิกที่คลายไปตามข้อระดับนี้ให้คุณฟังแล้วก็เท่ากับสรุปเรื่องตัดประเด็นไปให้ตีจบให้อาจจะไวหน่อยเพราะว่าจะมามันเลยเวลาไปแล้วนี่มันตั้ง45นาทีแล้วก็ขอสรุปว่าการทานเราก็ยังจะพูดกันอีกการรักษาศีลเราก็ยังจะพูดกันอีกเพื่อความรู้อันลึกซึ้งแล้วเราก็จะได้มีปฏิปทาหรือมีกรรมกุริยาอันเป็นกุศลถึงพร้อมโดยกุศลอยู่ตลอดนิรันด์เมื่อเรารู้ ใจความถูกต้องแล้วนะสำหรับวันนี้ก็คิดว่าใช้อันนี้เป็นเครื่องประกอบในการบรรยายธรรมะโดยแท้จริงก็คือเรื่องของทานศีลเสื้ออตมาไม่ได้ยกหัวข้อขึ้นมาแล้วอธิบายเองไปแล้วยกตัวอย่างประกอบมีของจริงมาอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะก็ได้ฟังเรื่องทานทานนะส่วนมากวันนี้ไม่ใช่ศีลนักนะนะแล้วก็อธิบายพอสมควรแล้วแก่เวลาพอขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ บรฟ้าเอื้เชิญประทานบุญนุนช่วยอวยพลอ่อนฟ้าขอจงไรยมนเสกคนให้พ้นทุกเป็นเรื่องรื้ อ, ยอโยโย่ใหญ่ใหญ่ปานฟ้าใดเทียมฟ้านิยมอายใจทน